พระธรรมเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่24ธันวาคม2559มีชื่อเรื่องว่าการภาวนาแบบย่นยอ่อเอาต่อไปนี้ตั้งใจฟังอาณาจารยญาติโยมลูกหลานทุกคน อยู่ในความสงบนะเพราะการฟังทำอย่างนี้หาโอกาสได้ยากผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ทยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่ได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใส หลวงปู่เจริญท่านก็ได้แสดงทำหลายรถหลายชาติที่หลวงพ่อได้นั่งฟังที่องค์ท่านแสดงก็น่าจะเพียงพอแต่คณะสัตย า, าติโจมก็อยากจะฟังแนวความคิดของหลวงพ่ออีกทีหนึ่งหลวงพ่อก็จะได้แสดงแต่เขาคงจะไม่พูดยาวนานนะคณะสัตย า, าติโจมให้ตั้งใจฟังนะเพราะช่วงนี้เป็น วันนี้เป็นวันที่24ธันวาคม พ, พุทธศักราช2559เป็นวันวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราคณะสธายญาติโยมล้นหลามที่หลวงพ่อก็ไม่เคยมาผมมเคยมาครั้งหนึ่งนะคะนัทธถายญาติโยมมาตั้งแต่ปี2551นะ เป็นเวลา8ปีแล้วจากนั้นมานะลงพ่อก็ไม่เคยมาอีกนะแต่ก็ได้ยินข่าวอยู่เจ้าภาพก่อนิมนต์ไปอยู่แต่ลุงพ่อก็มีภาระติทุระแต่ข่าว้ลงได้ลงมากรุงเทพก็เลยถือโอกาสได้มาพบกับคณะทา ญ, ญาติโจมโดยเฉพาะย็งยิ่งเจ้าภาพนี่นะศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ทำบุญพระป่าสามัคคี17ดวัดนะที่ระบุไว้ในที่นี่นะ แล้วก็หลวงพ่อเองมาเห็นแล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนล้นหลามวันนี้แล้วก็หลวงปู่เจริญก็ได้เทศนาให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลจริ่งสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านได้มาร่วมมารวมกันสร้างบุญสร้างกุศลจากครูบาอาจารย์หลายวัด อย่างหาอย่างนี้หาได้ยากเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลและก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายแต่แต่วันที่13ตุลาก็เป็นที่รู้กันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราก็ได้สวรรค์คาลายัยจากจากพวกเราไปเหมือนกับร่มโพร่มใส่ล้มโค่นล ง, ลงพวกเราเป็นประสบนิกร ก, รก็ไม่มีอะไร ที่มีแต่ความรักอะไรเคารพนับถือแล้วก็โศกเศร้าเสียใจเมื่อพระองค์จากไปแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสอนพระศกนิกรพวกเราใหป้ประกอบคุณงามความดีท่านเป็นพ่อของประเทศท่านทำคุณอุปการให้กับประเทศชาติมานมนาน เพราะนั้นแนวความคิดของพระ อ, องค์พวกเราได้ดูวิทยุโทรทัศน์สื่อต่างๆที่พระ อ, องค์ผลงานของพระ อ, องค์ออกมาก็ล้วนแล้วแต่ท่านพระ อ, องค์มีแต่ให้พระสักนิกรของพระ อ, องค์ประกอบคุณงามความดีเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านเหมือนเมื่อพระองค์จากไปแล้วคุณงามความดีหรือว่าคำสอนของพระ อ, อ, องค์หรือว่าแนวทางของพระ อ, องค์หรือว่าแนวประพฤต ที่พระ อ, องค์พาดําเนินมาก็พวกเรากนหน่าจะดําเนินเดินตามที่พระ อ, องค์แนะนําบอกกล่าวไว้นะในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าควาตรัสว่าดูก่อนสงทั้งหลายเมื่อเราผ่านไปแล้วรมและวินัยนั่นแหลจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วอ เมื่อเราจะาโคตปันผ่านไปแล้วให้หลักพระธรรมวินัยเป็นาศาสดาเป็นตัวแทนนี้ก็เหมือนกันเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านไปพระธรรมคำสอนของท่านตัวอย่างของท่านก็ควรจะอยู่กับปวงประชาถ้าพวกเรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจริงนะเว้นเสียแต่รักแบบปลอมๆมรักแบบไม่จริงจังและจริงใจเห็นเขาร้องไห้เขาร้องไห้ไปตามเขา แต่ในจิตใจนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ตามไม่จริงถ้าพวกเรารักออกมาจากจริงจังและจริงใจเคารพออกมาด้วยความจริงจังและจริงใจเมื่อพระองค์สอนอย่างไรพวกเราก็ควรจะทำตนประพฤติตนสำรวมกายวาจาห ร, หรือว่าใจของเราให้เป็นคนดีคิดดีทำดีพูดดีอย่างที่พระบาดทิ่อย่างที่พระบาทสมเด็พระเจ้าจูหัวที่ท่าน แนะนำท่านสอนท่านบอกเอาไว้และก็พร้อมกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะเป็นปีใหม่นะจะเป็นปีใหม่อีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่แต่ละวัดไม่ว่าในเมืองไม่ว่าชนนบแถวัดของทุกจังหวัดอุดรก็เหมือนกันว่าจะมีการสวดมนต์ข้ามปีนะ จะมีการสวดมนต์ข้ามปีหลวพ่อว่าเออการสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็ดีเพราะว่าพวกเราจะได้ตั้งตนตั้งตนตั้งใจใหม่จะประกอบคุณงามความดีเพราะว่าปีที่ผ่านมาเออมันเสียหายก็เสียหายไปแล้วมันเลวก็เลวไปแล้วดีก็ดีไปแล้วแต่ปีใหม่นี่เราควรจะตั้งตนใหม่พรในเวลาจะสวดมนต์จะสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย หลวงพ่อเองก็ขอแนะนําบอกกล่าวพระนทตา ญ, ญาณโยมทุกหมู่เหล่านะเมื่อเราสวดถึงห้าทุ่มครึ่งนะพ่อถ้าห้าทุ่มครึ่งพวกเราควรจะหยุดนะหยุดแล้วก็นั่งสมาธินะ เ, เวลาเราสวดถึงห้าทุ่มห้าทุ่มครึ่งนั่งสมาธิพอนั่งสมาธินั่งสมาธิจนถึงหนึ่งชั่วโมงนะจนถึงเที่ยง เ, เที่ยงครึ่ง เ, เที่ยงคกือบครึ่ง ยังค่อยออกจากสมาธนะิเพราะว่าในชั่วโมงหนึ่งนั่นแหละให้เรานั่งสำรวจตรวจตราดูตนเองว่าปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าทำดีอะไรบ้างทำสิ่งที่ไม่ดีมีอะไรบ้างพอถึงเที่ยงคืนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานใหม่ว่าจะปีใหม่ที่จะผ่านไปจิต ท, ที่จะเข้ามานี้นะ่ะข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีเท่านั้น ถึงจะไม่เท่านั้นทั้งหมดก็จะ พ, า ย, พายายามจะให้คิดดีทำดีให้มากที่สดุดให้พวกเราตั้งจิตอย่างนั้นนะเวลานั่งสมาธิใครเข้ามาสารวจสำรวจตรวจต ร, ราดูตนเองว่าข้าพเจ้าจะคิดดีทำดีพูดดีในปีพุทธศักราชสองพัาอแล้วก็พร้อมกันต่อไปนี้หลวงพ่อจะอโดยมากครูบาอาจารย์พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังนะ ได้ยินได้ฟังโดยมากพี่จะเลือกทานเรื่องศีลแต่ลวงวันนี้หลวงพ่อจะพูดแนะนำเรื่องภาวนาแบบย่นย่อให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติเลยนะพ่อนำปฏิบัติได้เลยพ่อหลวงพ่อเนี่เป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพเป็นลูกศิษย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นยึดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์ในประเทศไทยมีหลายในโลกนี่มีหลายสาย แต่หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าสายนั้นดีสายนี้ไม่ดีดีหมดทุกสายน่ะนะถ้าหากว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติแต่หลวงพ่อนี่ได้นําได้ปฏิบัติตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงได้นําสายนี้มาขยายผลมาบอกกล่าวให้กับคณะสธ า, าญาติโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟัง mm. เพราะว่าอย่างวิชาอาชีพในประเทศไทยและทว่าในโลกนะ่ะเพ่อใหพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น แต่หลวงพ่ออยู่ในสนบทพวกทำนาก็มีพวกกรีดยางก็มีพวกทำไร่ครอบโพดก็มีพวกมันสำปะหลังก็มีพวกขายข้าวก็มีขายน้ำมันก็มีข้าราชการเป็นครูทุกสิ่งทุกอย่างสรบแล้วก็เพื่อเงินนะได้เงินมาขายข้าวก็ได้เงินขายมันสำปะหลังก็ได้เงิน นี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์ประพฤติธปฏิบัติแต่ละสายก็เพื่อหวังมรรคผลนิพพานแต่ใครจะได้มากน้อยต่างกันเหมือนเราทำนาถ้าทํามาขยันคนนั้นก็รวยรวยกว่าที่พวกกรีดยางแต่พวกยางกรีดยางขยันมีสวนยางมากก็รวยกว่าพวกทํานาอย่างนี้เป็นตน้นนี้ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์แต่ละสายหลวงพ่อมาเดช ว่าสายนั้นไม่ดีสายนี้มีแต่หลวงพ่อนี่บวชมาในแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเป็นสัมมาเรนของหลวงปู่ล่าเป็นเนหลวงหงปูล่ลาแต่เป็นสมนัมมาเรนอายุ11 12ปีเขาบวชเป็นสมนัมมาเรนอยู่เป็นเวลา8ปีเป็นสมนัมมาเรนจากนั้นก็บวชเป็นพระนะจากนั้นก็อยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงปูงป่จามหลวงตามหาบัว นี่แหละไม่แต่มีแต่สายของหลวงปู่มันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงของแนะนําในภาคปฏิบัติเรื่องจิตภาวนาเพราะว่าพระกรรมฐานเล ว, วสุลูกศีดของพระกรรมฐานที่อยู่ในป่ามีแต่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องจิตตภาวนามากกว่าอย่างอื่นถ้าหาว่าอยู่ในเมืองท่านจะสอนปริยัติธรรมสอนพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพระ อ, อยู่ในป่ายอย่างหลวงพ่อเนี่ยท่านจะแนะนํา เอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประยุกต์แล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติสอนลูกศิษย์ลูกห า, าทำยังไงอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านสอนว่าแนวแถวสายหลวงปู่มั่นก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสายหลวงปู่มั่นหลวงพ่อจะพูดเรื่องพุทธะซะก่อนนะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าซะก่อนเพราะเป็นบรมครูของพวกเรา ในวันเดือน6กเพนที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านได้ตัดสู้ในคืนวันเพนตอนก่อนหน้านั้นละ่ะที่ท่านไปบําเพ็ญถึงหกปีเนี่ยอันนั้นเราไม่พูดถึงนะเพราะว่าท่านลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดยังเอากฎเกณฑ์ยังไม่ได้เพราะยังทดลองอยู่เหมือนกับทดลองวิทยาศาสตร์จนถึงมาตรฐานในสแตนดาร์ดได้อยู่แล้วนีเเพราะว่าจบแล้วอันนั้นแหละจุดที่ท่านว่าจบแล้วนะ ท่านทำอย่างไงนี่แหละในวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นพระองค์อยู่ที่โคลนต้นโพพุทธคยาพวกเราไดในประเทศดีๆคงจะเห็นนะต้นโพพุทธคย า, าจากนั้นนายโสธิยะได้นําญ้าคาผ่านมาเขาไปเกี่ยวหญ้าค า, านายโสธิยะคงจะเป็นคนอยู่ในละแวกนั้นนะไปเกี่ยวหญ้าคาแล้วเขาก็ได้ยญ้าหญาคามาแปดกำมือ จากนั้นเขาก็หาบย่าขาผ่านมาเห็นทิศท่านเห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลำพังจากนั้นนายโสธิยกะย ก, ก็ได้นําย่าขา8กดกำมือเข้าไปถวายคนที่เห็นกันแล้วโอ้ท่านสิทธัตถะคงนั่งไม่สบายเพราะทางจีโคลนต้นคนต้นโพลากโพลลอยขึ้นมาอย่างพวกเราเห็นเนี่ยนะท่าโลกโพอายุแก่ๆขึ้นมาจะเห็นลากโพลอยจากพื้นดินขึ้นมาตะปุ่มตะปมตะปำนั่งไม่สะดวก นายโสติยะกเรเลดำย่าขาเข้าไปถวายพระองค์ก็ได้ย่าขาแปดกำมือพอได้ย่าขาแปดกำมือท่านก็มองหาธรรมเลที่นั่งท่านมองเห็นทางทิศตะวันออกจากนั้นท่านก็อนย่าขาไปเกลี่ยลงลาดลงยึดด้านละสี่กำมือฮะ ป, ประสานหางจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนย่าขาเป็นอาสนะน่ะ จากนั้นพระองค์ได้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายฟังนะคณะสัต ย, ยาญาณโยมพระองค์นั่งอย่างไรนั่งขวาขาขวาทับขาซ้ายคือนั่งขัดสมาธิจากนั้นมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออก จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบเพราะว่าไม่คิดพระ อ, องค์บังคับไม่ให้คิดไปในอดีตพบคิดไปในอดีตที่พระ อ, องค์เห็นนางลาคาตันหาอรอดนะีนี่แหละคิดไปในอดีตจากนั้นอ น, อนาคตพระ อ, องค์ก็ไม่คิดพยายามทําจิตใจให้อยู่ในปัจจุบันในเมื่อจิตใจอยู่ในปัจจุบันที่ลมหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกของพระ อ, องค์ จากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาว่าปุเพนิวาสานุสติญาณละลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัตายาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ฟังเอาไว้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระองค์จะละลึกชาติผลหลังได้อย่างไร นี่แหะพระองค์ระลึกชาติผลหลังได้ปกเพนิว่าสารุจติยานพอถึงเที่ยงคืนพอระลึกชาติผลหลังท่านก็มองรู้ว่าชาตินี้เรามาจากไหนมาเกิดท่านก็มาจากสวรรค์ชัน้นรุสิษฐแล้วก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์ชัน้นรุสิษฐ์มาจากไหนมาจากพระเวทสันดร อ, ออกจากพระเวทสันดรมาจากไหนท่านก็ไล่เลียงไปตามําดับ เป็น10เป็นร้อเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติเพราะญานรัศนะของพระ อ, องค์ละเอียดถี่ถ้วนมากจากนั้นพระ อ, องค์รู้เลยว่าคนเราเกิดมาแล้วข้าพเจ้าเกิดมาแล้ว เ, เป็นพบเป็นชาตาิมีหลายพบหลายชาติเยาวรา ล, ลึกชาติขนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพระ อ, องค์มองดูว่าจูตูปะปาต่ยานเกิดญาณทัศนะเกิดชาตหนึ่งขึ้นมาอีกนะเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาอีกท่านมองดูคนอื่น อย่างสมมติว่าเนยอย่างที่หลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้แหละท่านมองดูอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่เ น, นี่ยนะทำไมพวกเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันรูปร่างกลางตัว แ, กแตกตกต่างกันเสร็จสวยงดงามต่างกันฉเฉลียวฉลาดต่างกันความมั่งมีสีสุกต่างกันบางคนก็พี่กงพี่การก็มีอย่างพวกเราท่า น, ท, นทั้งหลายได้เห็นทั้งเป็นหูหนวกตาบอดบ้าใบาก็มีตามถนนหนท า, นทางอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น นี่แหละทำไมคนเกิดมาจึงไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันพระองค์ก็มองดูแต่ละดวงวิญญาณท่าน ร, ร, รู้ไรว่าดุกดวงวิญญาณเพราะมีกรรมกรรมคือการกระทาคิดข้อต่างกันการกระทำข้อต่างกันการพูดข้อต่างกันเพราะนั้นการทำกรรมทำได้สามทางมโนกรรมกายกรรมวจีกรรมในเมื่อการกระทาไม่เหมือนกัน กรรมก็กรรมก็ให้ผลเมื่อกรรมให้ผลกรรมเป็นผู้จําแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้ดวงมนุษย์ให้มนุษย์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันแตกแตกต่างกันใครไทยใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะให้ผลจะเป็นคนหูหนวกตาบอดบ้าใบเสียจิตรูปร่างอั ป, ปลักษณ์หน้าตาไม่เสร็จสวยงดงามเราเนี่เป็นตนแต่ว่าผู้ใดทำำดํากรรมดีสร้างบุญสร้างกุศล ปุณกุศลจะเป็นพวกเอื้ออํานวยเกิดมาแล้วก็เป็นผู้สมบูรณ์ทุกอย่างแล้วก็มีเงินคําทรัพย์สมบัติมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดอันนี้ก็คือบุญพามาเกิดเนีแล้วบุญน้อยบุญมากอีกต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จริงท่านมองดูแล้วว่เออสัรพสัต์ทั้งหลายเป็นมาด้วยกรรมพระ อ, องค์จึงได้ตรัสว่าอัคตังทุ ก, กตังเซโยปัชชาตปฏิทุ ก, กตัง กรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อทำเมื่อเทาเมื่อพวกเราทำกรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราฟังเอาไว้เพราะฉนั้นพวกเราอย่าทำกรรมที่มันไม่ดีคิดแต่คิดดีทำดีพูดดีเท่านั้นเมื่อเราคิดดีทำดีพูดดีกรรมดีจะให้ผลไปนะเกิดนาสถานที่ใดมีแต่ความเจริญผาสุขเจริญสุขกายสุขใจนี่แหละ อันนี้ถึงเที่ยงคืนพ่อถึงจวนสว่างพระองค์ก็ได้มองดูพระองค์ว่าดวงวิญญาณของข้าพระเจ้านี่มาจากไหนต้นตอของดวงวิญญาณมาจากไหนเกิดมาจากไหนท่านก็มองดูตามดูว่าดวงวิญญาณเกิดมาจากไหนเหมือนกับท่านมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเรียว่าปุเพนิวานนี่ยนะหรือว่าดูมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นมาอย่างไรเนี่ย อันนี้เพื่นมองดูพระไทยขององค์มาจากไหนพระองค์ก็ตามตามดูไปพอไปถึงเห็นว่าอาวิชชาปัจจะยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจจะยาวิญญาณังคือใจดรงนี้เกิดมาจากตัวอวิชชาคือตัวโง่ตัวไม่รูเ้เกิดมาจุดนั้นจากนั้นไม่ตามตามไม่เลยไปนั้นกว่าว่านั้นไปอีกจากนั้นพระองค์ก็มองมองมองจนถึงโสกกะปริเทวทุกขโทมณ ส, สุอุปายาตฉลา ร้องให้พิไรรำผ่านนี่เกิดมาจากความโง่เพราะฉะนั้นพระ อ, องค์จึงมองดูว่าจะกาจัดด้วยวิธีอย่างไรดวงวิญญาณนี้มันมีอะไรจะทําให้มาเกิดเวียนว่ายตายเกิดพระ อ, องค์ก็ได้มองว่าพอกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะโลภโกรธหลงอยู่ในใจเพราะฉะนั้นจึงทำทำให้ใจดวงนี้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจากนั้นพระ อ, องค์ได้ใช้ มักแปดคือสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาส ม, มาธิเป็นประโยชสารจากนั้นพระองค์ได้กำจัดพระัทะกำจัดกิเลสจากใจของพระองค์ได้ตัดสรุปพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนจวนสว่างพระองค์ประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่ทำจะให้เรา เวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีประมาณไม่มีที่สิ้นสุดนั้นเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะบัดนี้เราได้กำจัดกิเลสออกแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วอันนี้คือพระองค์ได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณที่โครนต้นโพในวัดตอนหัวค่ำในวปุกเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติขนหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานมองดูสรรพสัตว์ทางหลายที่เวียน ที่มาเกิดแปกแตกต่างกันผลสุดท้ายพระ อ, องค์มองพระ อ, องค์อีกว่ากิเลสเราเกิดมาจากไหนจึงมาเวียนไหวตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมาจากตัวอวิชชาแล้วก็ตัวที่พานาหมุนเวียนไหวตายเกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะบัดนี้เราได้กำจัดออกแล้วเราหมดแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วนี่แหละพระ อ, องค์ได้ตัดสนุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพบัดนี้ เราได้นําพระธรรมคําสอนของพุทธะอันนี้คือตัวอย่างจากนั้นมานํามาพูดถึงแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นที่หลวงพ่อเองได้นํามาประพฤติปฏิบัติหรือ ว, ว่าได้ศึกษามาจากนั้นครูบาอาจารย์ก็าได้สอนว่าเวลานั่งภาวนาให้กําหนดลมหายใจเข้าคือนั่งสมาธิอย่างพระพุทธเจ้านั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเราหาหมุมสงบอยู่ในห้องแอร์ก็ได้อยู่ในมุมสงบนะ่ย อย่าไปนั่งอยู่ในที่พุกผ่านวุ่นวายถ่านเราอยู่ในที่พุกผ่านวุ่นวายก็นั่งได้แต่มันจะไม่สงบเหมือนอยู่ในที่สงบเพราะท่านแนะนำบอกกล่าวให้พระสงฆ์ทั้งหลายไปสสแสวงหาในมุมสงบอยู่ในโคลนต้นไม้บ้างอยู่ในป่าช้าบ้างอยู่ในถ้าบ้างอยู่ในที่หลีกเล่นทีเ่เปล่าเปลี่ยวที่คนไม่พุกผ่านวุ่นวายเท่านแนะนาพระสงฆ์ใหไ้ไปปฏิบัติเพราะนั้นให้พวกเรา ฟังเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนมาให้ไปอยู่ในสถานที่วุ่นวายในขณะที่นั่งภาวนาในสถาน่นขณะที่นั่งปฏิบัติวันนั้นเรานั่งอยู่ในบ้านของเราเราก็ต้องมุมหามุมสงบปิดวิวทยุปิดโทรโทรัศน์ปิดโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ก็ปิดไว้ก่อนเราจะไม่เราจะไม่เกี่ยวข้องในขณะที่เรานั่งสมาธินะคือปิดสิ่งที่ทาให้กวนใจ ทำให้มีเรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายปิดไว้หมดซะก่อน เ, ออเราจะหาความสงบใน30นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงนี้เราต้องหาเวลาให้กับเรานะถ้าว่าเราไม่หาเวลาให้กับเรามีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งวี่ทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทางชาติมันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะฉนั้นเราจงหาความสงบคือหาสมาธิเข้าสู่ตัวเอง เ, ออเราหาหมุมสงบ อ, อ, อยู่ในห้องตามลําพังอจากนั้นก็ ปูอาชานะเสร็จแล้วเราก็นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นปนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะพอ nang ขาพอนั่งเอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าการนั่งสมาธิไม่ใช่ผู้หนึ่งไม่ใช่ผู้ใดใครผู้หนึ่งเป็นผู้แนะนําบอกกล่าวคือเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า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 อย่างที่ข้าพรเจ้าปรารถนาทุกๆดววงิทุกๆ ด, ดวงวิญญาณทุกๆดวงใจด้วยเทินจากนั้นก็อมมือลงมือลงขัดสมาธิจากนั้นบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโทหายใจเข้าพดหายใจออกโถพยายามบังคับไม่ให้มันคิดออกไปข้างนอกไม่ให้คิดไปในอดีตไม่คิดไปในอนาคตให้จิตใจอยู่ในปัจจุบัน ขณะนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นถ้าว่ามันเผลอไปเราก็ถึงกลับมาหากำมาฐานที่เรากําหนดไว้นั่นแหละเมื่อมันเผลอไปเมื่อต้องมีเผลอแน่นอนเราฝึกหัดใหม่ๆนะแต่ถึงยังไงมีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่อีกสักวันหนึ่งมันก็จะต้องขยับเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้าม า, า, มาจนถึงกับความสงบนิ่งลงได้แต่ถ้าความันเอาไม่อยู่มันยังเผลอถาลถายทะเลถลอยู่ ให้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ถี่เย็บเอาใจดวงนั้นล่ะไม่ต้องออกไม่ต้องพูดออกเป็นเสียงนะให้ใจดวงนั้นล่ะใจที่ตรวนที่คิดนั่นแหะให้บริกรรมพุทโธพุทธโถพุทธโถพุทโธพุทธโถพุทธโถจนไม่มีระหว่างจนไม่มีช่องว่างอันนี้ก็คือกรรมฐานหนึ่งแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อได้รู้ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันออกยังไงหลวงพ่อจึงให้พวกเรา ทดลองเลสิอย่างที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมาได้ผลนะเห็นผลว่าเอ๊ะทำไมใจของเราเนี่ยมันเผลอได้เวลาไหนมันออกเวลาไหนอันนี้ให้พวกเรานับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามนับสี่นับห้าออหายใจเข้าออนับไปจนถึงเ อ, อจนถึงรอ้อพอถึงร้อยไม่เผลอกลับมาถึงเหมือนถ้ามันเผลออย่าไปนับต่อนะ ถ้ามันไม่มันเผลอไปนับมันเผลอเอ้มันเผล อ, อไปแหละเนี่ยไม่ถึง20่เอากลับมานับหนึ่งใหม่เราจะเรียรู้ว่ามันเผลอมากน้อยแค่ไหนทํำไมใจของเราจึงขาดสมาธิขนาดนี้นะจากนั้นเราตั้งต้นใหม่เราหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองไปเรื่อยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเผลอมันจะเบอเบอร์ซะก่อนนะพอเบอร์แล้วหายใจเข้านับหนึ่งเป็นเลขขี้นะหายใจออกเป็นเลขคู่ ขี้คู่ขี้คู่ขี้คูนะ่แต่พอมันเผลอเข้าไปแล้วมันจะคู่ขี้มันจะคู่ขี้นะคู่ขี้แสดงว่ามันเผลอแล้วนะใช้ไม่ได้แล้ะต้องกลับมาหากรรมฐานอีกนี่แหละอันนี้เราจะรู้ได้ด้วยตนเองเร็วนะว่าเราเผลอเท่าไหร่ถ้าเราเผลอบ่อยๆไม่เป็นผลดีนะคนะานตะทายญาติโยมนะเป็นอันเซเมอร์ในง่ายๆแล้วแล้วก็เผลอปั่มๆเปอรได้ง่ายๆเพราะนั้น การฝึกสตินี่ต้องพยายามให้มีสมาธินะ่ะคนที่มามีสมาธิดีแล้วนะ่ะคิดอะไรทำอะไรโพดอะไรก็มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองนี่เป็นผลดีนี่แหละอันนี้เมื่อจิตเมื่อเราภาวนาไปแล้วใจของเราจะรวมสงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งได้นะอย่างที่พระพุทธเจ้าเที่ยวปุเพนิวานมาพัะทายใจของหลวงรวมสงบลงเป็นหนึ่ง อันนี้พวกเรารวมครูบาอาจารย์ว่าเพื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งใจเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นติดจิตกัสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจิตเนี่ยวแนวนิ่งจิตนิ่งเมื่อจิตนิ่ยงจากนั้น เ, เราก็จะรู้ได้ว่าแต่ช่วงนั้นนะมันไม่รับรู้ทางกายนะมันรู้ได้แต่ว่าจิตกับสติสติกับจิตอันนี้คือจิตใจที่มันรวม จากนั้นใจของเราก็จะรู้ได้ว่านี่แหละร่างกายกับใจใจกับกายเนี่ยเป็นคนละอันกันชัดเจนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านที่ท่านว่าปุเพนิวาสานุจติยานคือว่ารูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจใจกับกายกายกับใจเป็นคนละอันกันหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถ รถจะไปได้ต้องอาศัยคนขับแต่ในหลักพระพุทธศาสนาในหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายจนท่านจเจว่มะมโนปุพังคำมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องตั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมทุกๆ ท, ท, ท่านนะนี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติ พิธีการภาวนาเอาเท่านี้ก่อนนะแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งภาวนาไปไปเห็นเราไปเห็นสวรรค์ก็ดีเห็นนรกก็ดีเห็นเปรตก็ดีเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็ดีเห็นที่สิ่งที่พึงปราถนาก็ดีในแนวแถวสายหลงปู่มั่นแล้วท่านบอกว่าอย่าดูนะจะส่งจิตออกนอกถ้าจิตจกส่งจิตออกนอกจะทําให้เสียเสียสมาธิเสียคู่เสียคนเผลอเผอแล้วเกิดสัญญาวิตพัลลาดเป็นบ้าได้นะอย่าเพึ่งดู ใ ห, ให้เวลาเป็ดอย่างนั้นคือมาให้ย้อนความรู้สึกนึกคิดให้มาหากรรมฐานเดิมคือกรรมฐานอันไหนที่เรานั่งภาวนาทีแรกภาวนาพุโทโธพุธโทโธนะให้เข้ามาจุดนี้นะไม่ต้องกลัวไม่ต้องติดตามจากนั้นนิมิตเหล่านั้นก็หายไปแต่เมื่อเราภาวนารู้จักทางเข้าทางออกทางหนีทีไล่ต่อไปชํชนานิชํานาญแล้ว เ, เราจะดูนิมิตอันนั้นก็ยังก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ไม่จะพึ่งออกไปดูนะ ถ้าไปออกไปดูน่ะมันเสียนะ เ, เสียคนนะเสียคู่เสียคนนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้กับข้าศน้าศรียาดโยมลูกหลานเอาไว้ว่านี่คือแนวแถวสายหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวยังเป็นหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่เขาหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่แหวนก็ตามที่หลวงพ่อเข้าไปศึกษาล้วนแล้วแต่ท่านแนะนําสั่งสอนให้ภาวนาพุโทโธทางนั้นแหละหายใจเข้าพุทหายใจออกโธนะ และก็พร้อมกันเมื่อเราจะออกจากสมาธิทุกครั้งเราก็ประนมมือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะกวไหว้พุโทโธธรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็แผ่เมตตาบุญกุศลเที่ค่าพระเจ้าได้บาเพ็ญภาวนาจิตภาวนาในคราวนี้ครั้งนี้บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงขอให้เป็นเครื่องเป็นปัจจัยเกื้อกูล น, นนุนให้พ่พอแม่พี่น้องออที่ล่วงลับไปดวงวิญ ญ, ญาณใดก็ตาม ที่ตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขจริงๆขึ้นไปแล้วก็ด้วยบุญบา ร, รมีที่ข้าพเจ้าได้บาเพ็ญคุณงามความดีนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าตลอดชีวิตขอให้เป็นไปได้วยความความราบรื่นจะได้มีอุปสรรคนานับประการนะอันนี้ก็ขอให้พวกเราเมื่อนั่งออกออกจากสมาธิทุกครั้งน ะ, เ, ะเราก็ตั้งแผ่เมตตาให้ทันด้วยแผ่เมตตาให้ตัวของเราด้วยนะ นั้นวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสมโภทนิยกถาก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีละตะัตันตรไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสาคนโลกอนุภาพพระสยามเทวาธิราชอนุภาพบุญบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราที่ ท, ท, ท่านได้บำเพ็ญ ม, มาโดยดีโดยตลอดสม่าเสมอ